ท่านฟังที่ครบค่ะประการของเราเนี่ยเขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่จํากัดในแต่ละวันเพื่อที่จะให้สิ่งที่พระสารสดาเราได้ส่งค้นพบและวางหลักเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของทุกท่านนะคะเรามุ่งเน้นให้พุททวจนะของพระสารสดานั้น ได้จำหลักอยู่ในใจและนำเอาไปปฏิบัติกับทุกคนมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นการไปกลับเรียนถามพระอาจารย์เผบูลต่อนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของการที่ท่านได้จัดหลักสูตรลเรียนที่วัดป่าดอนไฮโซควบคู่ไปกับประสบการณ์ของที่ันที่ได้มีโอกาสไปเรียเรีนที่ดินนั่นเพิ่งกลับมานี่เองนะคะกราบนวัฒ ก, การกับท่านไผบูลคะเผยบูลค่ะวันนี้ก็คงจะต้องเป็นการพูดถึงประสบการณ์ของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วม ในการเล่นที่วัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะท่านคงฟังมาเยอะแล้วนะคะ <laughs> คิดว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเออมันมัน mm hmm. ก็เรียกว่าอะไรคือคือเป็นแนวเดียวกันแต่ว่ามีความไม่เหมือนกันหรอกคุณยมเติ๋วเนี่ยไหมจิตของคนเหมือนกันก็จริงแต่ว่าบทเพียรชนะที่แต่ละคนแต่ละท่านจะอธิบายเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. ค่ะท่านคะถ้าจะให้พูดในภาพรวมว่าที่ท่านบอกว่า คล้ายๆกันในหลักการใช่แต่ว่าแตกต่างกันในรายละเอียดอืในหลักการที่คล้ายกันนั้นเป็นอย่างไรคะก็คือจะมีความสงบในใจอืมค่ะอนะ่พาพระอาจาบอกว่าบุคคลที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเอ่อจะได้เขาเรียกว่าเป็นอาสาธารณญ า, านนะคือยานที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปกับคนทั่วๆไปค่ะนะคืออาศาธรนญ า, านเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการเห็นตามที่เป็นเหตุผลนะหรือว่ายานอันหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นทั่วไปกับบุคคลที่เจริญสมาธิเนี่ยคือลักษณะที่ว่า โอ้ทำนี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ต้องเป็นคนปฏิบัติตึงจะเสพได้อันนี้คือแต่ละคนแต่ละท่านเขาจะรู้แต่เขาจะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงพ่อแม่โอ้ยอยากให้คนนี้ได้มาได้มาแต่เขาไม่ได้เพราะว่าเพราะาคนนั้นเขาไม่ได้มายานนี้ก็จะไม่เกิดกับเขา อ, อืมเดฉันเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเรื่องเฉพาะตนใช่อันนี้นึกถึงบทสรเสริญรพระธรร ม, อมของพระพุทธองค์จริงนะคะว่า อ๋อเราเข้าใจแล้วเป็นปัจจตังค่ะบางทีเนี่ยมีเพื่อนก็นเรียนสู ง, สงชอบถาม ม, มันเป็นอย่างไรหรอเยเราก็บอกว่าเราก็ยังไม่ไปถึงไหนนะแต่ก็อธิบายไม่ได้รู้ตัวว่าวิเศษอืมจะต้องการเชิญให้คนมาพิสูจน์ค่ะอของท้ายเขามาพิสูจน์ได้ค่ะทีนี้อย่างกับที่เวลาจัดหลักสูตรพอจะจบเนี่ยจะต้องมีการให้ออกมาพูดอย่างนี้ประจำไหมคะ ใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการแสดงความประทใจหรือว่าต้องการแบ่งปันประสบการณ์ก็มีมีทุกทุกครั้งค่ะสำหรับประสบการณ์มันผ่านมาก่อนจะมาถึงครั้งนี้เนี่ยมีกรณีใดที่ท่านคิดว่าน่าที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักกรณีนึ่งไหมคะมีเรื่องของการเข้าใจพุทธวจนะค่ะซึ่งเกิดขึ้นในซึ่งการเข้าใจพุทธวจนะนี่เกิดขึ้นในบุคคลที่ แม้เป็นชาวบ้านธรรมดาคุณโยมติว๋วคือไม่ได้มีความเข้าใจทางหน้นอาอัรศาสตร์มากไม่ได้มีความรู้สูงเป็นชาวบ้านชาวนาธรรมดานั่นแต่สามารถคดพุทธวจนะได้นะ่เช่นพูดถึงนั่นคนไม้นั่นเรื่นว่างอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะพูดถึงว่าโอ้ยเราจะต้องไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลังแต่พูดสิ่งที่เป็นพุทธวจนะออกมาอ๋อเมื่เรามาแสดงความรู้สึกใช่ใแล้วเขว่าโอ้โหอัศาจรรย์ใจมากเลยอะเราบางทีเราต้องท่องนะถึงจะจําได้นี่เขานั่งสมาธิไปเขาเกิดความรู้นี้ขึ้นมาเขาก็ จําฝังใจเลยอย่างเงี้ยก็ ม, มาพูดให้เราฟังก็ก็ดีมากนะแล้วก็มีหลายๆคนที่อย่างพ่อบ้านแม่บ้านอย่างเงี้ยมาด้วยกันคพ่อบ้านมาก่อนแล้วพ่อบ้านกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บอจากขี้บ่นก็ไม่บน่นแแม่บ้านก็สงสัยว่าไปทําอะไรแม่บ้านก็เลยมาอีก <c oughs> มาเองทีนี้อก็เป็นประสบการณ์อย่างนี้ก็มีหรือบางคนที่เป็นนักเรียนนะก็พบความเข้าใจในตัวเองในเป้าหมายของชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ย ก, ก, ก็มี ค่ะเท่าที่ดิฉันได้ฟังหลายคนไม่ได้มาครั้งเดียวอืมใช่มาครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจแต่มาแล้วพบว่าต้องมาอีอันนี้อันนี้ก็ได้ได้ฟังจากน้องอย่างสาวๆอยู่เลยอืแต่ว่ากรณีของไออีะค่ะที่จะขออนุญาตที่จะเอามากล่าวถึงไออี้เป็นยังไงไออีคือดิฉันประทับใจอออื้เพราะไออีนี่ก็เป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคน มีอารมณ์ละเอียดอ่อนนะคะกับเรื่องที่เล่าตื้นตันใจในตอนขึ้นต้นเมื่อเล่าให้ฟังว่าเป็นลูกคนจีนมาจากเมืองจีนแต่แล้วจากการที่พ่อแม่ไหว้เจ้ารู้จักแต่เทพเจ้าวันหนึ่งอาอี ก, ก็บอกไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นในใจเป็นคำที่ว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ย อ, อาอี้เป็นคนคนครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ใช ก็ไม่รู้ว่าคานี้มันหมายความว่าอะไรมันผุดขึ้นมาในใจแล้วสะละ ว, วันหนึ่งก็มีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรก็มาชวนไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกบอกว่าไปปฏิบัติที่สังขละบุรีไปด้วยไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะไปเจออะไรแล้วก็ไปในหลักสูตรโควกล้าใช่ใช่ใชแล้วก็ไปปฏิบัติที่นั่นบอกอยู่หลายครั้งก็รู้สึกว่าดี แต่ต่อมาได้มารู้จักกับพุทธวจนะได้พูดถึงอ่าได้ไปพบที่วัดาปาพงค์อืของพระาอาจารย์คริสต์ที่มอบหนังสือพุทธวจนะให้กับพวกเราแล้วก็ก็ได้ทราบว่าท่านไปบูญจัดหลักสูตรนี้อันนี้เล่าแบบรัดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ได้มาปฏิบัติที่นี่แล้วก็อ่ปฏิบัติแล้วเนี่ยดิฉันตัดตอนมาถึงตอนปฏิบัติเพราประทับใจมากเพราะ ก่อนหน้าที่ออี้จะเล่าเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกสับสนเพราะว่าจากการปฏิบัติมีปัญหาไปกราบเรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเมื่อยามที่มีสมาธิแล้วจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาใช่ไหมคะท่านก็พูดถึงพิจารณากระดูกพิจารณาโ น, น, น่นนี่ในสมาธิดิฉันก็พิจารณามั่วซั่วไปหมดแล้วก็งงมากมว่าเอ๊แล้วมันจะพิจารณาอย่างไร แต่ว่าไอ้เอี้เนี่ยมาพูดให้ฟังว่าพ่อเกิดจิตตั้งมั่นแล้วออืนะคะมันจะเกิดดิฉันจะใช้คําว่าอะไรเกิดตัวที่จะมาให้พิจารณาเพราะของอี้นี่จะเจอเป็นลูกผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมเป็นต้นอย่างอื่นที่ฉันยังจำไม่ได้รู้แต่ว่าสิ่งที่อี้พูดเนี่ย อ๋อดิฉันเข้าใจแล้วดิฉันยังไปไม่ถึงขั้นอี้อแล้วก็พอหลังจากนั้นท่านพิบูลมาอ่านพุทธวจนะค่ะที่ประกอบกันเข้ากันไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คื อ, อท่านก็มาพูดถึงว่าพระพุทโธได้ตรัสใช่ไหมคะว่าการปฏิบัติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้หเห็นได้ตามที่เป็นจริงเองใช่ค่ะแล้วเป็นลําดับขั้นมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นสงสัยสักวันต้องรบกวนท่านให้ท่านได้ช่วยอ่านให้ฟังอีกทีคือคือบางทีเรื่องที่เอามาอ่านให้ฟังเนี่ยอรตมาก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคือหมายความว่าในแต่ละคอสแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่เพราะว่าอาการจิตมันเปลี่ยนแปลงไปไบ้างอันนี้เกิดอันนี้มันดับไปแต่มันก็ค่อนข้างจ ะ, จะเขาใช้ภาษาคือ Improvise คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อค่ะเหมือนค่อนข้างเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัย<ช>เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช่นะคะ<ช> <ๆ S 2> แต่ว่าจากประสบการณ์ของฮอฮีเนี่ยดิฉันอยากจะสรุปด้วยตัวเองให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่า เรื่องของธรรมะตามแนวทางของพระสาสดาหรือว่าพุทธวจนะนั้นปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลกับผู้ที่ปฏิบัติเป็นของคนนั้นถูกไหมคะใช่เป็นของเฉพาะตนประสบการณ์เนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังได้แต่เราจะไม่ทราบซึ้งใจเท่ากับผู้ที่ประสบเองใช่คืออาจมาเคยบอกคุณยมติ๋วหลายครั้งว่าอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างเรามีสมาธิอย่างเงี้ย เราไม่สามารถจะแวอกงอกของเราแล้วให้ท่านผู้ฟังคนละก้อนละก้อนให้คุณโยมติวสองก้อนก็ได้มันมันทําไม่ได้ค่ะคือคุณต้องมาเองแล้วคุณต้องปฏิบัติเองคุณต้องรู้เองเห็นเองค่ะแต่มันน่าน่ามหัศจรรย์งไงคะในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงค้นพบว่าคนอื่นก็ค้นพบได้เหมือนกันถ้ารูจา้จักค้นตามทางที่ถูกต้องถูกต้องแล้วการปฏิบัตินี่เป็นเป็นให้ตัวเองดีขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นธรรมะที่ เมื่อเราทําคนอื่นคือเราได้ได้จริงๆนะค่ะท่านอาจารย์แต่ดิฉันอยากจะถามท่านอาจารย์เพราะได้ยินว่าอาอี้เนี่ยก็บอกว่ า, าถามถามท่านพิบูอื์ว่าจะให้ทำยังไงท่านบอกให้มาบ่อยๆใช่ไหมคะคือมาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำํใทำให้เจริญคือทําให้เจริญคือทำบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ำํยำๆมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆค่ ะ, ะมาลักษณะการตัดถนนคุณจมติวเขาก็ทํากระบวนการเดิมแล้วอัดดิน ปูชั้นแรกปูชั้นที่สองเคลือบคอนกรีตแล้วก็ทําไปทําอย่างเดิมไปเรื่อยๆมันยาวขึ้นอแล้วดูเหมือนกับว่าอี่ก็จะมาซ้ําที่เนี่ประจําุภการก็อี่นี่มาหลายรอบลอืะแล้วเท<ล>่าที่ฟังในมาไม่ง่ายนะคะอี่มารถประจําทาง <c oughs> อยู่ น, นครสวรรค์นบอกมามาลงที่อุดอรเนี่ยก็ถามผู้ช่วยงานทําก็ค่อยสังเกตที่ท่ารถนะคะว่าใครดูโงเ่เฮงแล้วจะมาที่วัดนี้แน่แล้วไปประกอบปูเข้ามาอืมกอก็มาได้ ก็เลมีอาสาสมัครบ้างอะไรที่ที่กลับเรียนถามท่านว่าอี้มาบ่อยมากแค่ไหนเนี่ยเดียวฉันเองก็อยากจะประมาณความสามารถนะนะคราแม้อย่างนี้จะสักกีครั้งเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องการจะมีประสบการณ์นั้นเหมือนกันนะครับว่าทําไมปัญญามันเกิดขึ้นเองได้คืออินซีของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะอย่างคุณอี้นี่เขามาปีหนึ่งก็สองครั้งนะบางทีบางปีสามครั้งนะแล้วก็มาที่แบบมาสองสามวันสีห้าวันนี้ก็มีบ้าง น, น, น, นี่นั่นตามโอกาสที่มาได้ก็จนรู้สึกหลังๆนี่มาซื้อบ้านอยู่แต่อุดรแล้วละ่ะอ๋อเหรอคะย้ายมาอยู่อุดร <c oughs> คือไ อ, อ้พูดแบบนี้คะ่ะออาไอ้บอกว่าแก่แล้วอืมผมขาวแล้วอืมอ่าแล้วก็ไอ้คําว่าิตสุดท้ายนี่มันลอยขึ้นมาเนี่ยกินใจเขาเนา ะ, ะมันทําให้รู้สึกว่ามันรอไม่ได้แล้วอืมต้องรีบนี่แหละเป็นเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่ประมาทค่ะคือเมื่อความแก่มาถึงแล้วเนี่ย เออเป็นผู้ที่เราจะทํายังไงให้เราเป็นผู้ที่อยู่ภาสุขอยู่ได้เวลาจะตายเราก็ตายคนเดียวใช่ไหมเราไม่ได้มีเพื่อนเราจะรู้ได้ไงเวลาเราอยู่กับลมหมใจก็บอกคุณที่สุดท้ายคุณอยู่กับลมหมใจคุณจะตายคุณอยู่โับไหมใจอุ้ยแต่เรายังอยู่กับลมหมยใจไม่เป็นเลยโอ้โหอันตรายนะถ้าพูดแบบนี้ดิฉันต้องเสริมว่าไปอ่านหนังสือนะคะอ่าหนังสือธรรมะเนะะี่ยค่ะไม่แน่ใจของพระอาจารย์ท่านใดก็มีการพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยต่อให้เป็นพระสงฆ์ ด้วยซ้ำใช่ไหมคะมถ้าหากว่าจิตสุดท้ายเนี่ยไปเป็นตัวเลน่ะในพุทธประวัติใช่ไหมเคยมีเรื่องที่เล่าๆกันย่อยๆให้ฟังว่าพระไปทําจีวรในฤดนะูกับฤดูทําจีวรปรากฏว่าวันนั้นกินมากเกินไปยังไงไม่รู้ท้องอาหารไม่ยอ่อยแล้วก็คืนนั้นไปนอนตายแต่ว่าผ้าที่เริงทําไว้เนี่ยยังตากอยู่เลยยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้อธิษฐานใช้เลยนั้นจิตไปคล่องอยู่ในผ้าก็เลยไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่ในผ้าค่ะอืมเพราะเลย เป็นตัวเลนตัวไรอะไร่เงี้ยสุดท้ายนี่สำคัญค่ะก็ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พูดมาทั้งหมดติดต่อกันสาวันเนี่ยเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้จินตนาการออกอนะคะว่ามันมีทางเลือกในการที่จะหาประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าที่วัดป่าดอนไฮโซเขาเรียกว่าหลักสูตรหลีกเล่น าการหลีกเล่นของท่านเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการแล้วเกิดสนใจจะมาได้อีกเมื่อไหร่อย่างไรคะก็ในครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่ 14-22 เมษายนแล้วก็รอบสุดท้ายของปิดเทอมนี้ก็วันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมวันที่ 14-22 นี้เต็มแล้ว อ, อ๋อค่ะยี่สิบ28ดถึงหพฤษภานี้ยังไม่เต็ม อ๋อค่ะ<ม>ก็ยังพอมีโอกาสสําหรับช่วงช่วงปลายของการปลายของการบิเติมทีนี้ข่ัญที่จะไปในเรื่องต่อไปก็จะพูดถึงประสบการณ์ของผู้หลีกเล็ท่านหนึ่งที่เพิ่งอยู่ในช่วงต้นของวัยยี่สิบสามสิบเนียนะที่เขาเพิ่งจบมาทํางานใหม่ๆใช่ั้มเขาก็มีความคิดว่าเออความสุขในชีวิตนี่คือก็คือว่าเออทำงานดิ้งสูงๆจบมาทํางานมีเงินเดือนแนะไปซื้อรถซื้อบ้านเที่ยวนั้นเที่ยวนี้มีความสุขแล้วคิดว่าความสุขมีแค่นี้ แต่พอมาได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็เลยพบว่าโอ้โ oh, ห oh, ความสุขที่ลึกซึ้งเนี่ยมันมันมีมากกว่าเหนือกว่าลึกซึ้งกว่าอยู่ในจิตของเรานีเองเราทําได้นะก็เลยคิดว่าจะอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยให้ม า, าหาความสุขที่เรายังไม่เคยพบเจอดูในอย่างน้อยเรา ท, ทําไปทําไปนะเราเจอความสุขชนิดนี้เราค่อยเลือกเอาก็ได้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาค่ะแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะก็คือการใช้พุทธวจนะเนีตต่ย เป็นหลักใหญ่ดิ่ฉันต้องกราบเรียนท่านว่าเป็นเป็นการที่ปฏิบัติธรรมแล้วทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากลึกซึ้งและเหมือนกับว่ามันไปต่อได้ะคะ่ะเพราะว่าเราเกาะอยู่กับพุ้ทวจนะแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีที่ไหนนะคะคือถ้ามีที่ไหนจ ะ, จะทำนะแม่กซันวอา์แนาจริงคขยให้ทำเถ <he. S 1> อะดีมากเลย ที่วานาปภงนี่จะมีเป็นครั้งๆังไปจะไม่ได้สม่ำเสมอทุกเดือนเหมือนกับที่นี่แต่ว่าเนี่ยคะ่ะท่านฟังคะถ้าจะเป็นทางเลือกเนะ่ะคือมีหลายที่ให้เลือกถ้าท่านสนใจในแนวทางที่เอ๊ะมีคําพระพุทธเจ้ากํากับอยู่ตลอดเวลาอ ม, มาลองดูว่าเป็นอย่างไรคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวตมาเองเนี่ยนะก็ต้องขอ อนุโมทนากับผู้ช่วยทั้งหลายแหละนะผู้ช่วยงานทำํำใ <c oughs> นบุคคลที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ได้เ่วาะยิ่งท่านหลวงพ่อดเอรเจ้าวาดที่ <c oughs> ท่านอนุญาตให้ปิดวัดนะคือตอนนั้นที่เราจะเริ่มทําเนี่ยธรรมาก็หลวงพ่อท่านก็มาพูดกับธรรมาอยู่หลายรอบรอบแรกเราก็บอกว่าไม่ทําผมคนขวายน้อย <c oughs> ไม่อยากทำอะไรแต่พูดรอบที่สองเราก็บอกไม่ทําอีกแต่ว่ามาพูดรอบที่สานี่คนละบาระกันนะ <c oughs> เราก็เลยบอก่อะจะทําก็ได้ครับหลวงพ่อแต่ว่ามีข้อเงื่อนไขห้อย่าง นะคือหนึ่งต้องไม่มีสวดมนตนะ์สองนั่งสมาธิทั้งวันสกินาหารบางสวรรคนะ์สเก็บโทรศัพท์หพุทธวจนะหนะลวงพ่อเอาด้วยไหมหนะลวงพ่อเอาด้วยนะ ก, ก็ทำอย่างมาอย่างที่เห็น <c oughs> แล้วก็อนุญาตให้ปิดวัดทั้งหมดนะพระไม่ต้องคือตอนแรกเราไปปฏิาบาติอยู่แต่ก็เจอปัญหาหลายอย่างก็เลยไม่ไป <c oughs> นะก็เลย ต, ต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ด้วยที่ให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะนะคะและ ทีฉันเชื่อว่านอกจากประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับซึ่งไม่มีใครทําเผื่อแผ่ให้กันได้ตั้งั้่ที่เนี่ยเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยฉันก็จะเผื่อไว้ให้กับคนที่เราเคารพนับถือรักใคร่นะคะแต่ก็รู้ว่าจริงๆแล้วต้องให้เขามาเองยังจะได้ประโยชน์กับการที่ว่าธรรมะเป็นของพิเศษนะคะดิฉันได้ยินท่านพิบูลพูดว่า คนนี้ทําคนรอบข้างได้ไปโดยปริยายอ๋อคือเขาจะได้จากเราด้วยของอเรื่องความรักความเมตตาเราจะได้จากเราคือความไม่บิดเบียนเขาจะได้จากเราคือความรักให้เอ็นดูเขาจะได้จากเราคือความอดทนของเรานะคะถ้ามีความสงสัยข้องใจอย่างไรท่านเปิดไปที่ peotama.com/106 ไ, ได้เลยนะคะหรือว่าที่หลวงพ่อด็อกเตอร์ .com ก็ได้เป็นรายละเอียดของวัดป่าดอนหายโศกก็คงจะ มีเวลาให้กลับเรียนถามคําถามท่านไป บ, บุญในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะการการกับพระคุณค่ะท่านผู้ฟังที่รบค่ารายการสันสนิสนทนาดิฉันสรนสนิษฐานานักพงดําเนินรายการนะคะก็คงจะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นความประทับใจที่ได้มีโอกาสไปลิกเรนด้วยตนเองมาและเมื่อเราเจอของดีก็เป็นธรรมดานะคะก็อยากจะบอกต่อเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนี้ ได้มีประสบการณ์ที่ดีๆเช่นเดียวกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ